สวัสดีครับโอ้เงียบมากเลยนะครับสวัสดีครับโอเค okay. สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่วัฒนาทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาแบ่งปันพระวจนะคำในช่วงบ่ายด้วยนะครับในบ่ายวันนี้อยากจะอัญเชิญพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วก็อยากจะ ให้พระเจ้านั้นได้ใช้สิ่งที่กำลังจะได้ยินนั้นที่จะติดหูติดตาติดใจของเราขณะที่เราออกไปใช้ชีวิตประจําวันข้างนอกช่วยยกมือกับผมได้ไหมครับใครในที่นี้มีงานทำยี่ยกมือไหมครับทำงานทำงานโอเคครับมีหลายคนในที่นี้ทำงานแล้วก็หลายครั้งเวลาเราตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็ออกไปแล้วเราก็ลืม ว่าบ่ายวันอาทิตย์นี้พระเจ้าได้พูดอะไรกับเราหลายครั้งเวลาที่ผมตื่นขึ้นมาก่อนที่ไปทำงานผมเปิดพระคัมภีร์ผมก็อ่านแ ล, ล้วก็อธิษฐานแต่ว่าพอออกไปทำงานพอขึ้นรถปุ๊บเหมือนกับพระคัมภีร์เขาหล่นไว้ข้างเตียงแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้นำไปใช้จริงๆในชีวิตแต่ว่าในในในบ่ายวันนี้ผมอยากจะให้พระวนจะนะคานั้นติดหูติดตัวติดใจเราออกไปใช้จริงๆ เมื่อตอนที่ผมเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเพื่อนสนิทผมคนหนึ่งชื่อไมโลเราเป็นสนิทกันมากจนกระทั่งผมตั้งชื่อลูกชายผมว่าไมโลและเขาก็ควรจะตั้งชื่อลูกชายเขาว่าไลฟ์คือชื่อของผมคือเราแลกชื่อกันเพื่อจะเปลี่ยนชื่อเพราะเราสนิทกันมากแต่ปรากฏว่าภรรยาของเขาไม่ยอมให้ตั้งชื่อนะครับว่าไลฟ์ก็กลายเป็นลูกชายผมชื่อไมโลคนเดียวแต่ว่าเราสนิทกันมากเพราะว่าไมโลเป็นคนที่ ช่วยผมได้มารู้จักกับพระเจ้าจริงๆวันหนึ่งเป็นวันเกิดของเพื่อนสนิทคนนี้ไมโลก็เลยตั้งใจว่าจะจัดงานปาร์ตี้ขึ้นให้กับเขาแล้วเวลาผมปาร์ตี้ผมก็ปาร์ตี้จัดหนักเลยนะครับก็คือทำการ์ดวันเกิดนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเซนทำการ์ดอินวเทชันนะครับส่งไปให้เพื่อนแต่ละคนว่าเขาถูกลับเชิญมาวันนี้เวลา น, นี้ที่ห้องนี้ให้นาอาหารอะไรมาจัด บอลลูนลูกโปง่งทำดนตรีทุกอย่างเลยครับเพื่อที่จะพอไมโลเดินเข้ามาแล้วจะเซอร์ไพรส์แล้วก็ให้เขามีความสุขมากดีใจมากแต่ปรากฏว่าขนาดที่รอไปก็เลยเวลาที่เขาควรจะมาแล้วทำไมยังไม่มาสทัทีเพื่อนๆที่รออยู่ก็ออกมาเริ่มกินน้ำกินท่าบางคนก็เริ่มเปิดเพลงก็เริ่มจัดปาร์ตี้ของเขาเองสักพักหนึ่งในที่สุดไมโลโทรเข้ามาในมือถือ Um, I'm sorry, I couldn't make it. บอกว่าที่ที่นัดกันไว้ว่าจะให้เจอเนี่ยเขามาไม่ได้เพราะว่าเครื่องบินเขาบินเข้ามามันดีเลย์พอผมว่างหูเท่านั้นผมก็มองไปรอบๆผมก็เห็นปาร์ตี้ที่กําลังถูกจัดทุกคนก็เปิดเพลงดื่มกินกันยังมีความสุขปาร์ตี้วันเกิดของไมโลแต่เจ้าตัวไม่ได้อยู่ที่นั่นก็เป็นปาร์ตี้ที่ จัดขึ้นมาเหนื่อยเปล่าจริงๆนะครับแล้วก็เป็นปาร์ตี้ที่ดูเหมือนว่าทำไปแล้วมัน เ, เหมือนกับจะบอกว่าไร้ค่าเลยก็กกว่าได้แต่ในในบ่ายวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันจะอยู่ในพระวจนะคำซึ่งเป็นพระวจนะคำจากชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อโยเซฟถ้าเกิดท่านเคยอ่านชีวิตของผู้ชายที่ชื่อโยเซฟผมจะสรุปให้สั้นๆคือเขาถูกขายไป โดยพี่ชายของเขานั้นซ้อมเขาและเกลียดเขามากก็เลยซ้อมเขาจนสะบักสะบอมทิ้งไว้ในหลุมแล้วอยู่ๆก็มีคนมาแล้วก็ดึงเขาขึ้นมาแล้วก็นำเขาไปขายไปเป็นทาสพาเขาไปเป็นทาสที่ประเทศอียิปต์ทุกขายเข้าไปในในบ้านของโปรฟิฟาเป็นข้าราชการแล้วขนาดนั้นเองชีวิตของเขาก็มีทั้งขึ้นทั้งลงขณะที่เขารับ เ, เป็ น, เ ป, นเป็นทาสอยู่ในบ้านข้าราชการคนนั้นก็ถูกทดลองหลายๆอย่างจากเมียของข้าราชการแล้วก็ อยากจ ะ, ะทดลองโยเซฟก็อยากจะชวนโยเซฟมาหลับมานอนโยเซฟก็วิ่งหนีไปแล้วก็ถูกปรับปําจนเข้าคุกแล้วในคุกนั้นเองเขาก็ถูกลืมโดยเพื่อนของเขาผมอยากจะบอกว่าในในชีวิตของเราแต่ละคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ที่มีงานทําคุณและผมจะเจอกับปัญหาในชีวิตในหลายรูปแบบเหมือนกับที่โยเซฟได้เจอเพราะในความลุ่มรุ่ ม, มดอนดอในชีวิต ในปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในชีวิตของโยเซฟก็ดีหรือในปัญหาในชีวิตคุณเองถ้าเกิดคุณนั่งอยู่ตรงนี้และขณะที่คุณมานั่งอยู่ในโบสถ์ที่สวยงามแล้วคุณก็อาจจะยิ้มแย้มแจ่มจใสแต่ในชีวิตของคุณจริงๆผมรู้ว่าคุณมีปัญหาและขนาดคุณเจอกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเงินปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาธุรกิจหรือว่าปัญหาชีวิตที่คุณพูดกับใครหรือบอกใครไม่ได้ แต่ผมอยากจะบอกว่าในเช้า ว, วันนี้พระวจะนะคำมีคําหนุนใจและมีคําตอบคืออย่างนี้ครับในชีวิตของโยเซฟขนาะที่เขาเดินออกไปแล้วเขาใช้ชีวิตของเขามีพระคำตอนหนึ่งที่ติดตามชีวิตของโยเซฟไปตลอดเวลาและเชา้าและบ่ายวันนี้ผมอยากจะให้เราทุกคนได้จําแล้วก็ได้พูดพระวจะนะคำตรงนี้ด้วยกันคือขณะที่โยเซฟทํางานเป็นทาสขณะที่เขาอยู่ในคุก ขณะที่เขาเจอกับปัญหาของชีวิตพระคำตอนนี้ที่พูดว่าบัดนี้โยเซฟถูกนำไปถึงอียิปคนอิชมาเอลได้ขายเขาไปในบ้านปอริฟาผู้บัญชาการท่านรักษาพระองค์ซึ่งเป็นขุนนางคนหนึ่งของฟาโรองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับโยเซฟและทรงอวยพรเขาให้เขาจเจริญรุ่งเรืองขึ้นในบ้านของเจ้านายเขาในในบ่ายวันนี้ ในบ่ายวันนี้ผมอยากจะให้คุณและผมนั้นได้เอาพระวจนะคำนี้ติดหูติ ด, ต, ดตัวของคุณไปพูดพร้อมกันได้ไหมครับแต่พระยะโฮวาสถิตกับเขาเดี๋ยวนะครับขอทุกคนที่นั่งในห้องนี้เลยนะครับผมผมเป็นครูในโรงเรียนานานาชาตินะฮะเพราะนั้นขอนักเรียนทุกคนเลยนะแต่พระยะโฮวาสถิตกับเขา ผมชอบภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาอังกฤษเขาเขียนว่า but the Lord was with him but the Lord was with him ผมชอบประโยคนี้เพราะว่ามันขึ้นต้นด้วยคำว่าแต่คำว่าแต่เนี่ยเป็นจุดกลับของทุกสถานการณ์หมายความว่าขณะที่คุณเจอความเลวร้ายของชีวิตขณะที่คุณเจอกับปัญหาที่เจ้านายมาเพาะไว้ที่งานที่โต๊ะของคุณขณะที่คุณเจอกับการข่มเหงการนินทาว่าร้ายการหักหลังหรือกระแสอต่างๆของโลกนี้ที่คุณเจอ แต่ในทางตรงกันข้ามกันแต่พระยาฮวาสถิตยอยู่กับเขาขณะที่โยเซฟเดินไปในชีวิตแล้วเขาถูกเขาเรียกว่าล่อลวงโดยผู้หญิงที่ที่เป็นภรรยาของเจ้านายเขาบอกโยเซฟมาหลับมานอนกันเถอะในขณะที่เขาเจอกับการทดลองทุกวันโยเซฟนั้นต้องยืนหยัดวิ่งหนีไม่ได้เพราะเขาเป็นเขาเป็นคนใช้อยู่ในบ้านเขาต้องอยู่อย่างนั้น แล้วเขาก็ถูกทดลองทดลองทุกวันแต่เขาต้องอยู่ในคุณธรรมของพระเจ้าแต่พระยะโฮวาสถิตยอยู่กับเขาขณะที่เขาถูกขายไปเป็นทาสในเมืองที่เขาไม่รู้จักกับคนที่เขาไม่รู้จักกับภาษาที่ใหม่วัฒนธรรมใหม่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่พระยะโฮวาสถิตยอยู่กับเขาตอนนี้ผม ไปเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาผมถือว่าถูกส่งไปเป็นนักเรียนนอกได้รับทุนไปเรียนแล้วขณะที่เรียนอยู่นักเรียนนอกนั่นเองงานที่เขาให้ผมคืองานเลี้ยงหมูพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี้บอกโอ้โหอาจารย์ไปเรียนนักเรียนนอกนักเรียนนอกงานอะไรครับเลี้ยงหมูผมทำงานอยู่ในฟาร์มด้วยแล้วก็ต้องเอาอาหารเนี่ยไปเทให้กับหมูกิน งานอีกงานหนึ่งก็เป็นงานตัดหญ้างานแรงงานงานั้นงานปอกมันฝรั่งผมนั่งปอกหัวมันฝรั่งเป็นล้านหัวเลยสี่ปีปอกเข้าไปสิแล้วขณะที่ผมอยู่ที่เมืองเคนทักี้ยืนยืนอยู่ใน เ, เขาเรียกว่าเบสเมนต์คือห้องใต้ถุนบ้านที่มืดแล้วอยู่ในเปียกๆแล้วชื้นๆแล้วก็ยืนปอกมันฝรั่งอยู่คนเดียวผมถามตัวเองว่าผมมาทําอะไรที่นี่ ผมหลายครั้งในชีวิตในช่วงเวลาที่ยากจนที่สุดขนาดเงินจะซักเสื้อผ้ายังไม่มีที่จะใช้เลยนะแค่เหรียญควอเตอร์สองเหรียญเนี่ยจะไปหยอดเนี่ยยังยังยังไม่มีจะใช้เลยนะคือไม่ไม่สามารถจะซักมือเหมือนคนไทยได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่มีขายบรีสเป็นถุงละหบาทเขาไม่มีนี่ก็ต้องรอไปหยอดเครื่องเงินแค่ห้าสิบเซนเนี่ยยังไม่มีเลยถามตัวเองว่านี่มันไม่อยู่อย่างเงี้ยมาเพื่ออะไรมาทําไม แต่พระวจนะคำของพระเจ้าก็ยืนยันแต่พระยาโฮาวาสถิตอยู่กับไลฟ์ขณะที่โยเซฟใช้ชีวิตของเขาดําเนินไปเรื่อยๆเขายอมให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตเขายอมที่จะรับรู้การทรงสถิตของพระองค์เขารู้ว่าขณะที่เขาเดินไปไม่ว่าจะเจอปัญหาอย่างไง พระเจ้านั้นจะไปกับเขาแล้วพาเข้าไปเผชิญก็ไม่ไม่ไม่ได้พาเขาแก้ปัญหานะพาเขาเดินทะลุปัญหาเลยาศาสนาคริสต์เป็นาศาสนาเดียวที่ไม่ได้พยายามที่จะทําให้ขจัดปัญหาออกไปแต่เป็นาศาสนาที่คนคนหนึ่งพาเราเดินไปผ่านปัญหาทั้งหลายผ่านพายุของชีวิตไปได้เพราะฉะนั้นในในบ่ายวันนี้ผมอยากจะให้เราจําติดใจของเราติด หัวของเราขนาดที่เราออกไปขับรถไปทำงานอยู่ในรถติดเจอกับปัญหาต่างๆ1 8 9ในชีวิตว่าพระยาเวสถิตอยู่กับเราขนาดที่โยเซฟนั้นถูกปรับปราว่าเขานั้นจะไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาขเจ้านายแล้วถูกเจ้านายของเขานั่นเองโยนลงไปในคุกแล้วเข้าคุกแล้วก็ติดคุกอยู่อย่างนั้นถูกนินทามีใครในที่นี้เคยถูกนินทาไหมครับ ไม่ต้องยกมือนะฮะมีใครในที่นี้เคยเคยถูกปรับปรำไหม ม, มีใครในที่นี้เคยถูกขโมยผลงานไหมมีใครในที่นี้เคยถูกหักหลังไหมมีไหมโยเซฟเนี่ยทำความดีกับคนในคุกแล้วบอกว่าขนาดที่เขาทําดีนั้นอย่าลืมข้าพเจ้าคนออกไปนอกคุกแล้วเจอกับฟาโรแล้วก็ในพระคัมภีร์บอกว่าและเขาก็ลืมโยเซฟลืมโยเซฟถึงเวลาสองปีนั่งอยู่ในคุก ในบ่ายวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าถ้าคุณและผมไม่ยอมให้พระเจ้ามามีส่วนร่วมในชีวิตไม่ยอมให้การทรงสถิตของพระองค์เป็นจริงในชีวิตของคุณและผมนะสิ่งที่เราทำไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเหมือนงานวันเกิดที่ผมจัดให้กับไมโลนั้นมันก็เหนื่อยเปล่าให้โยเซฟไปอยู่ที่ประเทศอียิปต์แลวเขาก็ไปทางานแล้วจะทางานหนักสักขนาดไหนแต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้สถิตกับเขา เขาเหนื่อยเปล่าขณะที่เขาติดอยู่ในคุกแล้วเขาก็พยายามที่จะเป็นคนดีที่สุดในคุกช่วยพัสดีคุกทํางานทุกอย่างพัสดีคุกให้เขาเลื่อนขั้นไปเป็นหัวหน้าคนในคุกแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีพระยาเวทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทํานั้นก็เหนื่อยเปล่าคุณพี่บอกว่านายของท่านก็เห็นว่า พระเจ้าทรงอยู่กับโยเซฟและพระเจ้าทรงให้การงานทุกอย่างที่มีอยู่ในมือของท่านนั้นสำเร็จโยเซฟจึงเป็นที่โปรดปรานของเจ้านายในเช้าวันนี้ตั้งแต่คุณตื่นนอนมาจนถึงช่วงเวลาที่คุณหลับมีกี่ครั้งที่เรานั้น ได้ตระหนักว่าพระเจ้านั้นเดินไปกับเราในทุกการตัดสินใจมีเพื่อนของผมคนหนึ่งชื่อเนลสันอาจารย์ Nelson. เนลสันก็เป็นผู้คุมหอและขณะที่ผมก็ใช้ชีวิตเจอกับเขานั้นอาจารย์เนลสันเป็นคนที่แปลกประหลาดมากคุณผมเชื่อว่าจะไม่มีใครในห้องนี้เคยเจอคริสเตียนอย่างนี้คืออาจารย์เนลสันเนี่ย เป็นคนที่เขาเรียกว่ า, าจะเรียกถ้าเกิดเป็นคุณและผมก็คงจะเรียกว่าเป็นคนคลั่งาศาสนาหรือคลั่งเป็นคนบ้าพระคริสตคือขนาดที่เขาใช้ชีวิตไปเขาให้พระเจ้ามีส่วนร่วมกับทุกอย่างที่เขากําลังจะทําฟังดูดีๆนะฟังดูดีอาจารย์เนลสันยืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าแล้วก็เปิดตู้เสื้อผ้าแล้วก็บอกว่าพระเจ้าถ้ามีชุดไหนที่พระองค์ไม่อยากให้คาโปรงใส่บอกกับคาโปรงคาโปรงค์จะไปทิ้ง คำใหาที่แปลกไหมพระเจ้าวันนี้จะให้ข้าพระองค์ไปทานอาหารที่ร้านอาหารไหนช่วยกระลุนา น, นําข้าพระองค์ไปด้วยข้าพระองค์ไม่อยากจะวางแผนอะไรข้าพระองค์อยากให้พระองค์นำข้าพระองค์ไปที่ร้านอาหารไหนก็ได้เพื่อที่ข้าพระองค์จะไปกินแล้วถ้าเกิดมีใครที่สนใจเรื่องของพระองค์ขอพระองค์ทรงนำเขามา เวลาเขาขับรถไปจะไปกินที่ไหนจะไปจอดที่ไหนจะไปใช้อะไรจะไปทําอะไรขาขออย่างเดียวขอให้พระเจ้ามาอยู่กับเขาแล้วขณะที่ผมนั่งอยู่ในรถแล้วผมได้ยินเําอธิษฐานนะขณะที่ผมนั่งอยู่ในห้องแล้วผมเห็นเขา อ, อธิษฐานผมถามกับตัวเองว่าบ้าปะเนี่ยอาจารย์เนวสันบ้าปะเนี่ยเฮ้ยทําไมต้องให้พระเจ้ามีส่วนร่วมขนาดนี้เลยเหรอและในความเป็นจริงขณะที่ผมโตขึ้นมา สิ่งที่ผมตระหนักก็คือว่าผมทำอะไรได้หลายอย่างมากแล้วผมทำมาแล้วหลายอย่างมากผมเป็นพิธีกรรายการทีวีอ่านข่าวซองาทำร้องเพลงคือทำมาทำมาเยอะมากแต่ทุกสิ่งที่ทุกอย่างที่ผมทำออกไปนั้นมันจะเหนื่อยเปล่าแล้วมันจะไร้ความหมายมากถ้าพระเจ้าไม่ได้สถิตยอยู่ในสิ่งที่ผมทำนพบขาสุ ด, ดีบทที่ร้อิ ฟังดีๆนะครับตอนบ่ายอากาศร้อนง่วงป่ะครับเนี่ยฟังอยู่ป่ะครับฟังอยู่นะโอเคพระคัม์สดุดีบทที่127ฟังดีๆครับบอกว่าถ้าพระยาเวาไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระยาเว์ไม่ได้ทรงเฝ้านครคนยามที่ตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่า ก็นัเหนื่อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดทำงานจนดึกกินอาหารที่ได้จากการตรากตํำเพราะพระองค์ประทานการหลับนอนแก่ผู้ที่โปร่งส่งรักคุณเคยทำอะไรไปแล้วเหนื่อยเปล่าไหมคุณเคยทำอะไรไปทาอะไรไปเยอะแยะมากมายแล้วแล้วแล้ ว, ล ว, ลวสิ่งที่ทำมาทั้งหมดมันมันเหนื่อยเปล่าเคยไหมคุณสุภาพบุรุษเคย เคยจีบสาวๆโอ้โหลงทุนไปนะพาไปกินข้าวดูหนังซื้อดอกไม้ทำทุกอย่างเพื่อเธอพอเราถามว่าเป็นแฟนไหมอืมเราเห็นเธอเหมือนพี่ชายมากกว่าโอ้โหเป็นไงทุกสิ่งทุกอย่างมันทำไปแล้วมันทำไมเหนื่อยเปล่าผมเมื่อเช้านี้ผมยกตัวอย่างผมไปผมไปช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลมีได้ได้บัตรสมนาคุณมา หลายบาทก็ไปช้อปปิ้งให้กับลูกวัดตัวลูกวัดเสือ้อวัดขนาดลูกก็ร้องไห้ไม่อยากอยู่ชอ้อปชอวซื้อกันประมาณหลายชั่วโมงเลยละ่ะพอเต็มซื้อมาเต็มสองตะกร้าปุ๊บเอาไปวางเขาบอกว่าขอโทษนะคะเราไม่ได้ร่วมรายการนี้จริง ท, ท, ทุกอย่างที่ทำมาพลังงานทั้งหมดที่ใช้ไปเวลาทั้งหมดที่เสียไปมันมันเปล่าประโยชน์ ก็ผมรู้สึกว่าหลายครั้งเราลืมตัวอะไรไปหรือเปล่าขณะที่เราออกไปทํางานใช้ชีวิตทํางานหาเลี้ยงชีพของเราโอเคเป็นสิ่งที่ดีแต่เราทําไปโดยที่เราลืมว่าพราะองค์นั้นสถิตอยู่ในการกระทําของเราแล้วเราลืมไปว่าสิ่งที่พระองค์อยากจะให้เราทํานั้นคืออะไรบ้างเราลืมถามพระองค์ลืมให้พระองค์เข้าส่วนในการตัดสินใจในชีวิตของเราแล้วพะจบวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็มานั่งที่บ้านแล้วก็นั่งลงบนโซฟาเปิดทีวีแล้วเราก็ เหนื่อยเปล่าก็หลายคนที่ทำงานก็ถามตัวเองทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกเดือนนี่เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเรากำลังทำอะไรล้เรามาทำอะไรที่นี่เหมือนกับตอนที่ผมปอกหัวมันฝรั่งเนี่ยถ้าพระยาเวไม่ได้ส่งสร้างบ้านคุณจะสร้างให้บ้านใหญ่ขนาดไหน ให้บ้านรู้ขนาดไหนให้มีระบบการป้องกันดีขนาดไหนแต่ถ้าพระองค์ไม่ได้อยู่ในบ้านนั้นบ้านนั้นจะเป็นครอบครัวได้ยากถ้านครไหนมีคนงานตรึงไว้เยอะแยะมากมายมีกำแพงสูงใหญ่แล้วก็มีความมั่นคงแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงสถิตยอยู่ด้วยในนครนั้นก็โดนปล้อนเอาง่ายๆมีเรื่องเล่าว่ากำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันศัตรู แต่ขนาที่เขาถูกสร้างขึ้นมาภายหลังที่ถูกสร้างภายในระยะเวลาหนึ่งรปีมีการโค่นล้มราชบัลลังก์ของประเทศจีนถึงสามครั้งหลังจากสร้างกำแพงเสร็จกำแพงสูงใหญ่มีคนงานเดินไปทั่วมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียรพร้อมเพื่อไม่ให้ศัตรูต้นได้แต่ราชวงศ์ศัตรูเข้ามาในเมืองและล้มและทำลายถึงสามครั้ง เพียงแค่ศัตรูนั้นให้เงินกับคนงานหน้าประตูยามแล้วเขาก็เปิดแล้วศัตรูก็เดินเข้ามาถ้าพระองค์ถ้าพระยาเวไม่ได้ส่งเฝ้านครคนยามที่ตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าถ้าเกิดท่านมานั่งอยู่ในที่นี้ในคริสตจักรนี้ ท่านมานั่งอยู่เพื่อจะบอกว่าเออฉันมาบวชแล้วฉันเช็คลิสต์แล้วฉันมานั่งก็โอเคก็ดีทําให้ฉันรู้สึกดีแต่ไม่ได้ไม่ได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วไม่ได้พาพระวิญญาณของพระเจ้าออกไปในชีวิตของเราก็เหนื่อยเปล่าให้ผมเทศนาให้เทศนาอย่างเงี้ยด้วยคําพูดของผมเองเปล่าเปเปป ล, ป ล, ปลแต่พระเจ้าไม่ได้พูดกับท่านก็เหนื่อยเปล่าท่านเลี้ยงลูกพยานจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดียังไงให้มีคุณธรรมยังไง แต่ลืมอธิษฐานเพื่อลูกไปก็เหนื่อยเปล่าพี่น้องครับสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงสิ่งที่คุณและผมนั้นต้องการอย่างแท้จริงไม่ใช่การตอบคำอธิษฐานสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงไม่ใช่การแก้ปัญหาสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริง คือการที่พระเจ้านั้นเดินไปกับเราในปัญหา น, านั้นตอนที่ผมเป็นเด็ ก, ดกผมมีหน้าที่หนึ่งคือการที่จะเอาขยะออกไปทิ้งนอกบ้านแต่ตอนที่ผมเป็นเด็ ก, ดกนั้นขยะระยะทางระหว่างหน้าบ้านผมกับถังขยะสีเขียวของรัฐบาล น, นั้นมันเป็นระยะทางแค่เ20เมตรก็ว่าได้แต่ทุกครั้งเลย หน้าที่ของผมในการทิ้งขยะนั้นมันถูกท้าทายด้วยความมืดระหว่างหน้าบ้านของผมไฟหน้าบ้านกับทังขยะของรัฐบาลแล้วขณะที่ผมถือถุงขยะไปแล้วพ่อบอกว่าให้ออกไปทิ้งผมก็มองดูทางผมแล้วขณะที่ผมเดินผ่านไอ้แสงไฟหน้าบ้านไปแล้วแล้วเดินเข้าไปสู่ความมืดนั้นหลายครั้งทีเดียวผมทำไม่ได้เพราะผมะผมคุณกับผมก็น่าจะรู้กันอยู่เพราะผมกลัวอะไรครับ อะไรครับกูผีเหรออ๋อคริสเตียนกูผีได้ไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแต่ขนาดที่ผมถือทุงขยะดเดินไปนะ่ะสิ่งที่ผมต้องการก็คือคนสักคนหนึ่งที่จะเดินไปกับผมแล้วเดินไปไม่ต้องทําอะไรแค่เดินไปแล้วก็เดินกลับรู้ไหมผมทํำยังไงที่ผมไม่มีใครเดินไปกับผมผมทําไงรู้ไหมผมเอาหมาไปด้วยครับ ผมจูงหมาไปได้ตัวหนึ่งขอแค่มีใครสักคนหนึ่งเดินไปกับผมหมาก็เป็นหมาอัสซีเซียนนะอัสซีเซียนก็เดินไปแล้วถือถุงขยะไปแล้วก็ไปทิ้งขยะแล้วก็เอาหมาเดินกลับแค่นั้นเองสบายใจเรานั้นต้องการการทรงสถิตของพระเจ้าเรานั้นต้องการการมีส่วนร่วมของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในยอห์นบทที่สิาคุณและผมก็รู้ดีอยู่ถ้าใครเข้าสนิทในเราแล้วเราเข้าสนิทในเขา เกิดผลและชีวิตมันดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในบ่ายวันนี้ผมอยากจะบอกว่าชีวิตของคุณและผมนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในชีวิตของการทำงานไม่ว่าจะในชีวิตของครอบครัวไม่ว่าจะชีวิตของ การวางแผนอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามในชีวิตในใ น, ในช่องต่างๆในชีวิตผมขออย่างหนึ่งก็คือการที่พระเจ้านั้นจะเข้าไปมีส่วนร่วมและสถิตยอยู่กับท่านในทุกการตัดสินใจในชีวิตของท่านในบ่ายวันนี้ผมอยากจะให้คุณและผมนั้น คิดถึงปัญหาหนึ่งปัญหาจริงๆในชีวิตของเราตอนนี้ให้เวลาสิบห้าวินาทีหนึ่งปัญหาที่คุณอยู่ในชีวิตคุณมีแต่คุณเท่านั้นที่รู้พูดกับผมพร้อมกันแต่พระเจ้าสถิตอยู่กับฉัน หันไปหาคนข้างๆกันเลครับแต่พระเจ้าสถิตยอยู่กับฉันในปัญหาที่คุณมีแล้วคุณบางทีปัญหามันใหญ่มากจนบอกใครไม่ได้แต่ในบ่ายวันนี้ผมอยากเจอบอกว่ากษัตริย์ดาวิดนั้นรู้กษัตริย์ดาวิดผ่านปัญหาเยอะแยะมากมายกษัตริย์ดาวิดกําลังบอกว่าถ้าคุณจะเดินผ่านชีวิตคุณผ่านปัญหาไปโดยที่คุณทําเองนั้นมันทําได้นะ แต่มันเหนื่อยเปล่าหากคุณมีบ้านแต่พระเจ้าไม่ได้อยู่ในบ้านหากคุณมีงานแต่พระเจ้าไม่ได้อยู่ในงานหากคุณทำโอทีขยันได้เลื่อนขั้นแต่พระเจ้าไม่ได้อยู่ในการทำงานหากคุณดูแลทุกอนุปกป้องทุกอย่างและหวงทุกการเคลื่อนไหวแต่ไม่มีพระเจ้านั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เหนื่อยเปล่า กษัตริย์ดาวิดเขียนบอกว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินผ่านหุบเขาเงามัตจุราชข้าพระองค์ก็ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คทาและทานพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์พระองค์ทรงจัดเตรียมโตอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะของข้าพระองค์ด้วยน้ํามันถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวความดีและความรักมั่นคงจะติดตามจะ ติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิดในชีวิตผมตอนนี้ผมก็อายุสี่สบเอ็ดแล้วก็ทำงานมาหลายอาชีพตอนนี้รับใช้พระเจ้า ผมไม่ใช่นักเรียนที่เรียนเก่งแล้วก็ไม่มีความรู้มากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วผมมั่นใจที่จะขึ้นมายืนอยู่ต่อหน้าทุกคนในห้องห้องนี้แล้วผมสามารถยืนยันได้บอกว่าถ้าพระเจ้าสถิตยอยู่กับชีวิตของเราพระองค์จะพาเราไปสู่ความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าคุณจะรวยนะไม่ได้หมายความว่า คุณจะได้งานที่ดีนะโยเซฟประสบความสำเร็จอยู่ในคุกโยเซฟประสบความสำเร็จขนาดเป็นทาสแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรับรองรับประกันคือเมื่อพระเจ้าไปกับเราทุกอย่างที่เราทำจะมีความหมายถ้าเกิดในในบ่ายวันนี้ผมถามว่าคุณอาชีพอะไรแต่ละคนก็จะมีหลายอาชีพผมเป็นครูแล้วขนาดที่ผมเป็นครูนั้นผมเดินเข้าไปในห้องเรียน ผมจะเข้าไปสอนนักเรียนด้วยความรู้ตามตามบทเรียนที่ผมเตรียมมายังไงก็ได้แต่เมื่อพระเจ้าสถิตยอยู่กับผมเมื่อพระเจ้าเดินไปกับผมขณะที่ผมเข้าไปในห้องเรียนแล้วเจอกับนักเรียนอยู่แล้วผมอธิษฐานขอให้พระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างคือให้ผมเป็นพระเจ้าในในชีวิตของเขาให้ได้รู้ไหมในห้องเรียนนั้นนักเรียนเริ่มเปิดเผยความลับในชีวิตของเขา ให้กับผมเริ่มเปิดเผยปัญหาที่เขาไม่กล้าพูดกับพ่อแม่ให้กับผมและตลอดทุกปีเลยผมสามารถที่จะทำให้ชีวิตของนักเรียนนั้นเปลี่ยนแปลงได้โดยพระคุณของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยก่อนที่ผมจะจบคำาเทศนาในในภายวันนี้ ผมอยากจะอ่านจากพระวจนะคําของพระเจ้าอีกบทหนึ่งแล้วผมอยากจะให้พระวจนะคาของพระเจ้าในตอนนี้เป็นคําอธิษฐานของเรางั้นให้เราได้หลับตาสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราจะอธิษฐานเงี ย, งยบๆโดยพระวจนะคําข้าแต่พระฤรดาเจ้า พระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์พระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์จะนั่งลงหรือลุกขึ้นพระองค์ก็ทรงทราบพระองค์เข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลพระองค์ทรงตรวจตราวิถีการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้า แม้ก่อนลิ้นที่ข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งหน้าทั้งข้างหลังวางพระหัตถ์บนข้าพระองค์ความรู้อย่างนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์เกินข้าพระองค์สูงนักจนข้าพระองค์เอื้อมไม่ถึงข้าพระองค์จะไปที่ไหนให้พ้นจากพระติญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนใหพ้นจากพระพรักของพระองค์ถ้าข้าพระองค์จะขึ้นไปบนสวรรค์พระองค์ก็สถิตที่นั่น ข้าพระองค์จะทําที่นอนไว้ในแดนคนตายพระองค์ก็อยู่ที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะบินไปไกลถึงตะวันออกหรือถ้าข้าพระองค์จะอาศัยอยู่สุดขอบทะเลตะวันตกแม้ที่นั่นพระราชของพระองค์จะจูงข้าพระองค์ไปและพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะช่วยข้าพระองค์ไว้ขอพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ทั้งหลายคือขณะที่ข้าพระองค์ ห้อยส้อยคอที่เป็นไม้กางเขนขณะที่ข้าพระองค์ติดป้ายสติ๊กเกอร์หลังรถที่เป็นรูปปลาขณะที่ข้าพระองค์พยายามจะเอาพระคำพีติดตัวแต่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นสถิตกับข้าพระองค์ในทุกวิถีลุกนั่งเดินนอนในการทำงานทั้งหมดขอพระองค์ทรงไปกับข้าพระองค์ ทรงเตือนข้าพระองค์ทรงปกป้องพิทักษ์รักษาข้าพระองค์และคนที่ข้าพระองค์รักด้วยข้าพระองค์กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า a เมน